เ, เรื่องฟังเราอยากไปแต่มันไม่เห็นมันไม่เป็นไงใช่ไหมนี่คือเรื่องสำคัญนะเนี่ยอาตมาดืนฟังเถอะิชจีจแต่เข้าใจเลยเพราะอะไรเพราะเคยเป็นเหมือนกันฟังแต่มัน ม, มันไม่เป็นในเราไงอยมนั่งสบายไม่ต้องพนมมือจะพูดฟังในตรงนี้จะได้พุงนี้ไม่ต้องเทะมากไง ไล่อไล่ตรงนี้เลยนะเนี่ยมันท่านเริ่มเริมเริ่มาหมดเนี่ยโยมตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยเคยดูพระพเจ้ามาตตตรดาโลกไหมเคยดูไหมดูแล้วรู้สึกตรงไหนที่เราเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยเนี่ยที่มารู้จักวิธีการว่าเตียนในยุคนี้อตรงไหนบอกหน่อย ดูไม่จบเรื่องจริงนั่นอ่ะหรือดูแล้วไม่รู้เรื่องนะนี่โยมตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้เลยสําคัญมากเลยนะตอนที่พระเจ้ากําลังสเสวงหาสุดท้ายอ่ะเจออาจารย์คนสุดท้ายไหมอ า, าลาแลดาวบทุตกะดาบทใช่ไหมตอนที่เข้าไปชานเรียนกับอุตกาดาบทติเข้าชานเรียนนะเข้าชานต้องไปดูว่าตอนนี้ อาจารย์เห็นหมดสภาพเนี่ยสภาพเห็นสภาพความเคลื่อนไหวธรรมชาติอะไรเนี่ยรอบตัวเนี่ยเห็นเห็นหมดอาจารย์ก็เห็นสิทธถะก็ไปเห็นนั้นสภาพอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันสิทธถะก็ยังเห็นสภาพเคลื่อนไหวมันยังไม่เที่ยงอยู่ทําไมมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีอะไรลึกๆอยู่จึงถามอาจารย์ว่าตัวเองก็ยังเห็นความไม่เที่ยงอยู่ใช่ไหม แล้วอาจารย์ก็เห็นมันก็ยังรู้ว่ามันยังยั ง, ยงไม่เที่ยงในสภาพเพื่อนไหวนีมันยังไม่เที่ยงแล้วทำยังไงจะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้อาจารย์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ก็บอกไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เห็นแต่อาจารย์ก็ออกไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พิเตอทัก็ถามต่อไปแล้วใครรู้อาจารย์ก็หัวเราะ ถ้าหากว่าเรารู้เราก็ไปเป็นลูกศิษย์เขาแล้วไงนี่อนลูกเกิดใช่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ตัวที่การอาจารย์อเนกท่านาถ่ายทอดอกมานะโยมจะเข้าใจไนะอเตัวติดกับอันยังไงยังไงเนะี่ยถ้าเราทําตรงนี้มากๆเราจะเข้าใจแต่ต้องไม่ไม่ใช่เข้าใจนะต้องให้เขาเป็นนะ เราเนี่ยไงแต่เราจะต้องเข้าใจอย่างนี้โยเข้าใจไอเขาบอกสมาถะเป็นแต่เพียงพักจิตเท่านั้นเป็นแต่เพียงพักเท่านั้นไงพักไงพักนีงเข้าใจพักไหมคือจิตไม่เราเหมือนเราไปทํางานเราพักไะพักเท่านั้นเพียงแต่พักพักแล้วพักไง คนทำงานเหนื่อยแล้วพักเราพักแล้วพอพอมีกำลังเราก็ต้องรีบทำงานคนเนี่ยคนทุกคนมันต้องพักอะเ่เราเราทำงานนะเอ๊ะคนทำงานออกไปทำงานทำไมทำได้ไม่เท่ากันน่ะอีกคนทำไมขา ย, ยานันอีกคนทำไมขี้เกียจอีกคนทำไมทางานเสร็จคนทำไมไม่เสร็จเพราะคนที่ทำไม่็เสร็จเพราะพัก พักพักอย่างเดียวพักอย่างเดียวไงพักอย่างเนี่ยจิตตรงเนี้ยที่เราทํางานเนี่ยนะทํางานเนี่ยมันมันต้องเหนื่อยนะมันต้องสังเกตไหมเราเวาถ้าเราทํางานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยไ อ, ไอการทํางานเนี่ยทํางานมันต้องลงทุนต้องเหนื่อยตราบใดที่งานยนังไม่เสร็จเราต้องลงทุนฝ่าฟันทุ่มเทกําลังทํา เหนื่อยร้อนอะไรต่างๆมันต้องเจอแน่นอนมันก็ต่างจต่นั่งมันจสบายกว่าคือไม่ตอนพักมันสบายกว่าตอนทํางานไงทํางา น, น, นยังไม่เสร็จนะโยมฉะนั้นไม่จึงไม่แปลกใจไงว่าวิธีการของนุมเทียนเนี่ยมันจะทุกข์สาหัส ต, <c oughs> ต้องบอกคนนะวิธีวิธีที่เราปฏิบัติกันเนี่ยทุกข์สาหัสเลยต้องมาต้ อ, ตองต้องบอกอย่างนั้น คุณจะเก่งขนาดไหนเอาเธอลองเธลองมาศึกษาวิธีการว่าเทียนใหม่ๆแล้วหัวที่หัวตามทุกทำแบบทำไม่หยุดนะ่ะมันไม่มีพักไงมันจะเบื่อมจะฟุ้งมันจะคิกเกียดมันโอ้ยมันแต่ว่าทำจนกระทั้งว่านุงก็นะโยมถ้าบอกอะไร มรคารณธรรมทโกเสถโถนะบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดสัจจานังเจตโลปทาบรรทาความ จ, จัดจากทั้งหลายอเยาเยสสีประเรสเริฐที่สุดบทสี่เลือดสี่ะเสริฐเวลาโกเสถโหนธรรมานังบรรดาธรรมทั้งหลายเวลาค ะ, วาคะาเวลาค่ะทำเป็นเร่องสำหรับเวลาค่ะทำประเสริฐที่สุดโยมเอาตังนี้นะ วิราคะวิรากะวิรากะบอกว่าทําเป็นเครื่องสำอรองลักฆ่าทําเป็นเครื่องสําลอกฆ่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเน่ไอ้ที่ไอ้หลงพ่อเทียนทีาเราทํามากๆจะเข้าใจหลงพ่อเทียนคิดอย่าห้ามความคิดใช่ไหมอย่าห้ามความคิดไอ้รู้แต่ไม่เข้าไปในความคิดรู้หลวพ่อจะพยายามสื่อเนี่ยพยายามสื่อสื่อ มือนเราตักน้ําเห็นเจอน้ํามันก็ตักขึ้นมาไอ้น้ำประจุคุณอยู่คนอยู่เราก็ต้องรีบตักตักตักกเราฟังก็ไม่เข้าใจลุงพ่อพูดอะไรใหม่ๆ ไ, ไ, ไม่เข้าใจเลยนะไม่เข้าใจในภาษาที่ลุงพสื่อออกมาเพราะเราดัางในเราไม่รู้ไม่เห็นกับท่านไงท่านพยายามจะสื่อท่านพยายามจะบอกแต่โยมถ้าโยมทนได้โยมทําได้แน่นอนเปลี่ยน ให้ตัวเบื่อตัวทนเราพอไหมเราเข้าใจไหมเราต้องคัญไอความสงสัยของเรามันไปปิดกั้นไงถ้ายอมทำได้นะมันเป็นไปได้อ่ะไม่ไม่ใช่พะพูดอย่างเดียวนะยอมเป็นไในเห็นหลายคนแล้วนะเนี่ยเอออาตมาพ่าเออเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขอโทษรู้ไหมอาตมามขาจะไหนยังไม่ได้บอกชื่อเลยสื่อความไม่พูดเลยนะรู้ปะยังไม่ต้องรู้ก็ได้ใน่จะพูดอย่าี้ยอมอย่างงี้ นะอาตมาเลี้ยงเลี้ยงคนคนเนี่ยเนี่ยเนอามายายนั่งนั่งนั่งเนี่ยยายสะอาดมีนะเลี้ยงตายก็มีแล้วตายไปหลายคนแล้วตายแบบไม่ต้องลูกหลานมาก้อนไม่กลับบ้านเลยเป็นไปได้ยังไงเพอาตมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงเอาเอาเอาเอาเอาแค่ว่าเอาโยมเนี่ยมีโยมเด็กก็ตายไปแล้วยมนงนะไม่นงนะเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้จักกันนะรือพินรู้จักเนี่ยเจะอะไรก็รู้จัก อาตมามาอยู่วัดพรมบุรีปีสามแปดนะแล้วแกก็ตามอตมาตมามามาแพทย์แสงเทียนเนี่ยมาแล้วยายกับยายนงเนี่ยก็เป็นคนอดทนสูงมาอยู่แปงแตงให้ทำก็ทำไปถามไปไปงโยมไม่เห็นอะไรเลยเบื่อเหนื่อยแต่ก็ทำไงก็ทำถามเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ไม่เห็นอะไรเบื่อแต่ทำโยมทำแต่ทีนี้ตะพาวะเขาเป็น ดูความเป็นของแกในตัวนะในตัวแกเนี่ยมันตำล้อได้ยังไงซึ่งมันเป็นเป็นเห็นได้เห็นเห็นธรรมะของแกแกไม่รู้ธรรมะแต่แกมีธรรมะไงเข้าใจว่าคนมีธรรมะไหมคนมีธรรมะคนรู้ธรรมะไม่เหมือนกันนะมีธรรมะแต่แกไม่รู้ธรรมะเข้าใจไหมโยมเนี่ยเอางี้นะมีครางหนึ่งดูดูความความความความความความเป็นของของแก่นะความความเป็นมาหลายหลายครั้งที่มันฮัตจย์เห็นชัดนะ วันหนึ่งอาตอมาไปไปฏิบัติธรรมทางเหนื อ, อรู้สึกจะไปทางทางทางอีสานมานาะกลับมาปกติแม่แม่นงเขาอยู่ที่วัดไงวัดพระพนอนอยู่กลับมากลับมาปรากฏไม่เจอไงถาแมแห้น้องไม่ไหนปรากฏว่าเข่านะเขา่ขาเ ข, ข่าแค่เสบแ ข, ขยันเกินไปลูกก็ลูกชายเป็นอบอปตก็เอาเอาแม่ไปไว้ด้วยเอาแม่ไปเพราะแม่ไปขยันไงขา กลัวว่าอยู่วัดเกลีกลัวจะแกงใจกลัวจะทํางานก็เอาเอาเอาแม่ไปพิธีบ้านนะอาตมากลับมาก็ไปไปไปถามแบบเป็นไงยโยมหายเป็นไงบ้างโอ้ยังไม่หายดีเลยเนี่ยเจคุณนะวนนะ้เนี่ยกวดยังไม่หายดีเลยแต่เจคุณจะไปบอกให้ออดมันนะนี่คือลูกชายเจคุณจะไปบอกให้ออดมันนะฉันบอกกับมันว่าฉันหายแลย้วฉันจะกลับไปอยู่วัดไม่ไม่อยู่บ้านนี่ฮะเฮ้ยว่า อนาคตมีเข้าใจไหมเนี่ยไม่อยู่หลานดูยังไงลูกดียังไงไม่อยู่ฉันจะไปวัดไปนะหนึ่งแล้วนะโยมนะไม่อยู่เพราะจไปเทวบัตรแล้วอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องเรื่องแบบเห็นเลยว่าโอ้ยแกมีธรรมะแต่แกไม่รู้ธรรมะแม่เหวียงหน้าสาวไงไม่เหวียงไม่เหวียงก็แม่แม่นงเนี่ยเห็นไหมรู้จักไม่เหวียงไหมเนี่ยคนเก่าเขาฮะเออแล้วก็รู้เนาะ ก็ไปอยู่ที่วัดพรมด้วยกันนะวัดพรมบุรีวัดพรมบุรีกัวัดพนอนวัดวัดพรมบุรีอยู่เพื่อพรมบุรีวัดอาตมาอยู่วัดพระนอนจัตติอยู่เพื่เมืองไกลกันประมาณสักสิบโลนะแม่เวียงกับแม่แม่นงก็อยู่ที่วัดพรมวันแม่เวียงจะไปโรงพยาบาลแม่นงก็จะไปเป็นเพื่อนรอรถอยู่หน้าศาลาทุกๆวันก็มีข่าวด่วนมาเลย บอกลูกสาวแม่นองอุบัติเหตุรถชนตายลูกสาวนะตายแล้วอ่าอะไรเกิดขึ้นรู้มไหยโยแม่นองช่ยแม่เวียงก็บอกอเอาแกไปดูมันหน่อยสิน่ยแม่เวียงแม่เวียงจะไปโรงพยาบาลไงลูกแม่นงโดนรถชนตายนะว่าที่เหตุอะไรมาบอกเออไอคนตายก็ตายไปแล้วเอาคนเป็นไปโรงพยาบาลไม่สนใจโอ้โหเป็นไปได้ไงอะ่ะ คืออะไรนี่คืออะไรยมรู้ไหมคืออะไรนี่ไงคนมีธรรมะแต่ไม่รู้ไงเนี่ยนี่ไอตัวเนี่ยไอยตัวเบือ่อตัวนี้ยมทนพอหรือเปล่าเนี่ยยอมอ่านทั้งนั้นรู้เนี่ยไม่ดูหนะ้าตามาโอ้โหลุงพ่อเทียนเอาเธอโยมาตามากล้าท้าเลยนะไปเธอท่า น, นตามาเนี่ยขอมันนี้มาวนานตั้งใจนะมาถวาย บุคุณเลยเนี่ยอย่างอาจารย์นั่นเองพูดโยมคนอยากคนทุกคนอยากมันมันออกไม่ได้ออกไม่ได้มันไม่เป็นในนี้ไงโยมมาเนี่ยเอาโยมเอาแค่นี้นะเอาเอาแค่เนี้มาจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือไม่ไม่คือโยม มาเนี่ยจากไอ้ตัวมาแต่ว่าใจไม่เฝ้าบ้านอยู่เปล่าเ น, นี่ยไม่แน่นะเอางั้นง่ายอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ต้องกลับอะได้ไหมล่ะได้ไหมเอาแค่นี้เอาแค่นี้ได้ไหมเนี่ยมีอาข้าวกินมีอะไรทุกท่านได้ไหมโยมนี่นี่พูดให้ฟังนี่นี่เรื่องจริงนั้นเรื่องธรรมะนั้นอาตมาจะขอดพูดธรรมะนะโยมรู้ไหมโยมรู้ไหม หลุงข้อเทียนอาตมาขอเนี่ยสาธุนะบูชาขอต้องได้พูดขอขอบูชาคุณครูบาอาจารย์อาตมาบอกนะพูดไม่ได้แต่จะรีจะพูดวันนี้จะพูดด้วยแบบขอบูชาคุณครูบาอาจารย์อาตมาไม่ทันลุงข้อเทียนแต่อาตมาก็ได้ได้ได้ได้รับวิธีการอันเนี้ยที่มันปลดล็อกพี่อาจารย์อันอเนกพูดหมดเข้าใจเลย มันยิ่งใหญ่มากโยมมันยิ่งใหญ่มากแล้วโยอมอย่าอย่ า, าฟังว่าอาตมาเป็นพระมาพูดจะบอกว่าเฮ้ยมันอยู่กับโยมได้ยังไงอะอาตมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงคนแก่ก็ผอกไงผอเลี้ยงคนแก่เนี่ยข้องฉันไม่ร้องกลับบ้านสักคนไล่ไม่ไปอะนี่พูดจริงๆนะเนี่ยอโอ้โหือ มันเป็นไปได้ยังไงไอ้ตัวสติตัวนี้เป็นไปได้ยังไงแล้วตวมาไม่ได้เลี้ยงว่าจะต้องเดินโ น, น่นเดิน น, นี่อยากนอนนอนไปหยิวกินไปแต่อย่าคุกคีกันนะอย่าคุยกันนะเดินคนเดียวนะห้ามตีคู่นะคุณอยากนอนนอนไปแต่ลุกมาอย่าคุยเดินต้องเดินคนเดียวอย่าตีคู่อยา่าขอเท่านั้นนะโยม